หอมตลบอยู่กึ่งเดือนไม่เลือนหายอันชันเขียวอันชันขาวกลุ่มแดงดอกบานสะพรั่งป่านั้นดาราดาดไปด้วยอบเชยและแมงลักเหมือนดังจะให้คนเบิกบานใจด้วยดอกไม้และกิ่งไม้อันมีกลิ่นหอมเหล่าพอมอนโผผินบินว่อนเสียงวู้วูอยู่โดยรอบเพราะกลิ่นหอมแห่งบุพชาติแน่พราม ณที่ใกล้สะนั้นมีฟักแฟงแตงน้ำเต้าสามชนิดชนิดหนึ่งผลโตเท่าเม่า อ, อีกสองชนิดผลโตเท่าตะโพบนบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าตะครายภนชษกาได้แก่ตินชาติที่เกิดเองคำว่าถั่วเขียวมุ ข, ขติโยได้แก่ทั่วเขียวชนิดหนึ่งคำว่า ทวราชมาศกร ะ, ระติโยได้แก่ทวราชมาศคําว่าสารายสันตวาเสวาลังศีษกังได้แก่แม้ต้นไม้เหล่านี้ก็เป็นไม้กอนั่นแลอีกอย่างหนึ่งคําว่าสันตวาท่านกล่าวว่าเป็นจันแดงคําว่ากระเพื่อมเป็นระรอกกระทบฟัง อุทาปวัตตังอลุลิตังความว่าน้ำนั้นถูกลมพัดกระเพื่อมเนื่องถึงริมฝั่งตั้งอยู่คำว่ามีหมูมแมลงหิงคู่ชานมัคขิกาหิงคู่ชาลิกาความว่ามแมลงพึ่งห้าชนิดที่กลุ่มดอกไม้แย้มบานที่เรียกหิงคู่ชานต่างบินวนว่อน ร่อนร้องด้วยเสียงอันไพเราะอยู่ในสะนั้นคำว่าในที่นั้นมีสีเสียเทศเตาร้างทาสิมะกันจโกเจตถะได้แก่รุกขชาตสองอย่างนี้ก็มีใกล้สะนั้นคำว่าผักบุ้งรวมในที่ต่ำนีเจกะลัมภกาได้แก่ผักทอดยอดมีณเบื้องต่ำคำว่า ถูกปกคลุมด้วยเถาวสลิดกล้วยไม้เอลำพภกะรุขะสันฉันนาความว่าอันไม้เถาซึ่งมีชื่ออย่างนี้ปกคลุมคาว่าแห่งบุพชาติดังกล่าวแล้วนั้นเตสังได้แก่ดอกเหล่านั้นของไม้เถานั้นกลิ่นของดอกสลิดเป็นต้นเหล่านั้นแม้ทั้งหมดพร้อมอยู่ตลอดเจ็ดวัน ดอกไม้ทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยกลิ่นหอมภูมิภาคเต็มไปด้วยทรายคล้ายแผ่นเงินคำว่ากลิ่นดอกราชพฤกษ์เป็นต้นเหล่านั้นคันโทเตสังความว่ากลิ่นของดอกราชพฤกษ์เป็นต้นเหล่านั้นหอมอยู่ถึงกึ่งเดือนคำว่าอัญชันเขียวนีละปุบผิเป็นต้นได้แก่ไม้เถามีดอกคำว่าแมงลัก ตุลัษสีหิจะได้แก่และด้วยก่อแมงลักคำว่ามีฟักแฝงแตงน้ำเต้ากักการุชาตานิความว่าผลของไม้เถาสาชนิดคือฟักแฝงแตงน้ำเต้าในผลไม้เถาเหล่านั้นไม้เถาชนิดหนึ่งมีผลเท่าหมลอใหญ่อีกสองชนิดผลเท่าตะโพน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 เทียนป่าบรเพชดดอกเข็มหางช้างอังกาบกากะทิงมลิกระลำพักทองเคลือดอกแย้มบานสะพรั่งขึ้นขนานรางแดงต้นชุมแสงขึ้นแซงแทกคัดเขาและชะเอมมลิซ้อนงอนไก่เทพทารแครฟอยฝ้ายทะเล กานิกาดอกเบ่งบานงามปรากฏดังตาข่ายทองเปรียบด้วยเปลวไฟปุพชาติเกิดบนบกและที่เกิดในานา้าปรากฏมีในสระนั้นทุกอย่างสะมุจจรินมีน้ำมากเป็นที่รื่นรมด้วยประการชนิปรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามีผักกาดสาสะโปได้แก่พันผักกาดคาว่าเป็นอันมาก พระหุโกได้แก่มากมายคําว่ากระเทียมหอมประกอบด้วยใบเขียวนาทิโยทริตายุโตความว่ากระเทียมประกอบด้วยใบเขียวธรรมชาติกระเทียมเหล่านี้มีสองชนิดกระเทียมแม้นั้นมีมากที่สะนั้นคําว่าต้นเต่ารังตั้งอยู่สล่างดังต้นตาลอาศีตาลาวติดทันติ ความว่าต้นไม้มีชื่อว่าเต่ารังอย่างนี้ปรากฏนภูมิภาคที่เรียบราบตั้งอยู่คล้ายต้นตาลข้อว่าผักสามหาวมีเป็นอันมากขึ้นอยู่ริมน้ำพอเอื้อมเด็ดได้เฉดชาอินทวราผหูความว่าที่ริมน้ำมีผักสามหาวทองเป็นอันมากพอที่จะเด็ดได้ด้วยกามือตั้งอยู่ คำว่ามาริวันอับโพตาได้แก่มาริเถาคำว่าบรเพ็ดอกเข็มวลลิโพขุดทปุบพีโยได้แก่บรเพ็และชิงช้าชาลีคำว่ากากทิงมารินาคามลิกาได้แก่ไม้กากทิงและมาริซ้อนคำว่าทองเคลือกิงสุกาว ล, ลิโย ได้แก่ธรรมชาติไม้เถาที่มีกลิ่นหอมเป็นประมาณคำว่ารางแดงต้นชุมแสงขึ้นแสงแทกกะเตรุหาปวาเซนติได้แก่ทั้งสองอย่างเหล่านี้เป็นไม้กอมีดอกคำว่าชะเอมมะทุคันธิยาได้แก่มีกลิ่นเหมือนน้ำผึ้งข้อว่ามลิซ้อนงอนไก่ นิลิยาสุมนาพันดีได้แก่มลิเลื้อยมลิปกติและฉบาคำว่าเทพทาโรปัทุมัตตรโรได้แก่ต้นไม้ชนิดหนึ่งคำว่ากันิกากันิการาจะได้แก่กันิกาเถาบ้างกันิกาต้นบ้างคำว่าปรากฏดังตาข่ายทองเหมะชาลาวะ ความว่าปรากฏเหมือนไข่ทองที่ขึงไว้คาว่ามีน้ำมากมโหททิได้แก่สะมุจจรินขังน้ำไว้มากอนหนึ่งในสระนั้นมีปลาซึ่งว่ายอยู่ในน้ำมากมายคือปลาตะเพียนปลาช่อนปลาดุกจระเข้ปลาบังกรปลาฉลามณนะที่ใกล้สระนั้นมีชะเอมต้นชะเอมเคลือ กำยานประยงเนระภูสีแห้วหมูสัตบุตรสมุนแวง้งพิมพ์เสนสามสิบและกลิศนาเถากระไดลิงมีมากมายบัวบกโกดขาวกระทุ่มเลือดต้นนาดขมิ้นแก้วหอมพระดานคาคูนสมอพิเภกไคร้เครือกระบูนและรางแดงบรรดาคําเหล่านั้น ด้วยคําว่าอนหนึ่งในสระนั้นมีอัทธาสะโปกคารณิยาความว่าอัจจุตรฤษีกล่าวเรียกสระนั่นแหละว่าโบกครณีในที่นี้เพราะเป็นเช่นกับสระโบกครณีคําว่าปลาตะเพียนโรหิตาเป็นต้นเป็นชื่อของสัตว์ที่เที่ยวหากินในน้ําเหล่านั้นคําว่าชะเอมต้น มะทุจะได้แก่พึ่งที่ไม่มีตัวคำว่ามะทุลัติจะได้แก่ชะเอมเครือคำว่ากัมยานตาลิยาเป็นต้นทั้งหมดเป็นไม้มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติอันหนึ่งในป่านั้นมีสัตว์หลายจำพวกคือราชสีเสือโครง่งยักษินีหน้าลา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 มีอยู่ที่ใกล้สะนั้นเป็นอันมากกระบือหมาในหมาจิ้งจอกกิ้งก่าจะกวดเหี้ยเสือดาวเสือเหลืองมีอยู่โดยรอบกระต่ายแรง้งราชสีและเสือปลามีอยู่มากหลายมีสกุลชาติมากมายคือนกกวักนกยูงผงขาวไก่ฟ้าไก่ป่าไก่เถื่อน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 นกกลางเขนนกการะเวกนกแอ่นลมนกเงือกนกออกสมุจรินเกลื่อนก ล, ล่นไปด้วยฝูงนกนานาชนิดกึกก้องไปด้วยเสียงสัตว์ต่างๆบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ายักษินีหน้าลาปุริสาลูได้แก่ยักษินีมีหน้าเหมือนลาข้อว่าเนื้อฟานละมั่งนางเห็น โรหิตาสรพามิกาได้แก่กวางดงละมั่งชมดคำว่าโกธะสุนาได้แก่สุนักจิ้งจอกปาถะว่าหมาจิ้งจอกโกธะโสนาก็มีคำว่าหมาในสุนโนปิจัได้แก่มรุกชาตเล็กๆที่ว่องไวชนิดหนึ่งคำว่าบาง ตุลยยาได้แก่บางคาว่ากระ ROC นรสันนิพาได้แก่กระ ROC มีสีคล้ายดอก อ, อก้อคำว่าจามรีเลียงผาสมันจามะรีจลณีลังคีได้แก่เนื้อจามรีเลียงผาเนื้อสมันคำว่าข้างลิงชาปิตามกตา ได้แก่ลิงใหญ่สองชนิดนั่นแลคําว่าลิงจุนปิจุได้แก่ลิงตัวเมียชนิดหนึ่งหาอาหารกินที่ริมสะคําว่ากวางกระทิงก ก, กตากะตะมายาจะได้แก่มรึกใหญ่สองชนิดคําว่าอีกกาได้แก่หมีคาว่าวัวเถื่อนโคนศิราได้แก่ โคป่าคำว่างูเห่ามีอยู่ใกล้สะนั้นเป็นอันมากกาละเกตพระหุตะโสความว่าชื่อว่าเหล่ากาละมะลึกมีมากใกล้สะนี้คำว่าหมาในหมาจิ้งจอกโสซนาสิงคาลาได้แก่สุนัขป่าสุนัขในและสุนัขจิ้งจอกคำว่ากิ้งกาจับปกา ได้แก่เหลากิ้งกาที่อาศัยบนกอไผ่ใหญ่ซึ่งตั้งอยู่รอบอาสมคําว่าจะกวดอากุจจาได้แก่ตะกวดคําว่าเฮี้ยป จ, จัลากาได้แก่มรึกมีตะพองดังคชสารคําว่าเสือดาวเสือเหลืองจิตรกาจาปิทีปิโยได้แก่เสือดาวและเสือเหลือง คำว่าเปลากาจะได้แก่กระตายคำว่าแรง้งวิคาสาทาได้แก่นกแร้งเหล่านั้นคำว่าราชสีสีหาได้แก่ไกรสอนราชสีคำว่าเสือปลาโกกนิสาตากาได้แก่มรึกร้ายที่มีปกติจับสุนัขป่ากิน คำว่านกกวักอัฏฐปาธาได้แก่ละมั่งคำว่าผงขาวพัสราได้แก่ผงสีขาวคำว่ากุกุฏกาได้แก่ไก่ฟ้าคำว่าจังโกราได้แก่ไก่ป่าคำว่ากุกุตาได้แก่ไก่เทือน คำว่านกต่อยตีวิทนกกระเรียนทินทิพาโกนจวาธิกาได้แก่เหล่านกทั้งสารชนิดนั่นแหลคำว่าเหยี่ยวดำพยักคิณสาได้แก่เหยี่ยวคำว่าเหยี่ยวแดงโลหะปิดถาได้แก่นกสีแดงคำว่าจับปากกาได้แก่นกช้อนหอย คำว่านกคับแคนกแข ก, กบินชราติติราโย و, ได้แก่นกคับแคและนกกระทาคำว่านกกดนกกระเตนใหญ่กุลาวาปติกุฏกกาได้แก่นกทั้งหลายสองชนิดแม้เหล่านี้คำว่ามันดารกาเจระเกรุได้แก่นกนางแอน่นและนกคุ้ม คำว่าพันดุติติระนามกาได้แก่นกคุ้มนกกระทาและนกกระทุมคำว่านกกระจอกนกกระจาบเจลาวกาปิงคุลาโย ο, ได้แก่สกุลชาตสองชนิดนกกระเต็นน้อยนกกางเขนโคทกาอังคะเหตุก า, กาก็เหมือนกันคำว่านกแอ่นลมสักคา ได้แก่นกแอ่นลมคําว่านกเงือกอุหุงการาได้แก่นกเขาแมวอนหนึ่งที่ใกล้สะนั้นมีนกมากมายมีขนปีกงามวิจิตมีเสียงไพราะสนอโสดย่อมปราโมทอยู่กับคู่เคียงส่งเสียงกูก้องร้องหากันและกันอันหนึ่งที่ใกล้สะนั้นมีฝูงสกุณาทิชาชาติ ส่งเสียงร้องไเร่ไม่ขาดสายมีตางามประกอบด้วยหางตาขาวมีขนปีกขนหางงามวิจิตอันหนึ่งที่ใกล้สะนั้นมีฝูงนกยูงส่งเสียงร้องไเร่ไม่ขาดสายมีสร้อยคอเขียวส่งเสียงร้องหากันและกันไก่เถื่อนไก่ฟ้านกเป้านกนางนวลเหยี่ยวดำเหี่ยวนกเขา นกกาดำนกแขกเต้านกสาลิกาอันหนึ่งที่ใกล้สะนั้นมีนกเป็นอันมากเป็นพวกพวกคือเหลืองแดงขาวนกหัสดีลิงพญาหงทองนกกาน้ำนกแขกเต้านกดูวานกออกหงขาวนกช้อนหอยนกเข้าแมวห่านนกยางนกโพระดก นกต้อยตีวิตนกพิราบหงแดงนกจากพรากนกเป็ดน้ำนกหัดสดีริงส่งเสียงร้องน่ารื่นรมใจเหล่าสกุณาที่ชาชาติดังกล่าวแล้วต่างก็ส่งเสียงกูร้องหากันทั้งเช้าและเย็นเป็นนิรันด์อนหนึ่งที่ใกล้สะนั้นมีสกุณาที่ชาชาติมากมายสีต่างๆกันย่อมบันเทิงอยู่กับคู่เคียง ส่งเสียงกู่ก้องร้องหากันและกันอนหนึ่งที่ใกล้สะนั้นมีสกุณาที่ชาชาติมากมายสีต่างๆกันทุกๆุตัวต่างส่งเสียงอันไพเราะระร ง, งมไพรที่ใกล้สองฝั่งสมุจรินอนหนึ่งที่ใกล้สะนั้นมีสกุณนาทิชาชาติชื่อว่าการเวกมากมายย่อมปราโมุดอยู่กับคู่เคียง ส่งเสียงกู่ก้องร้องหากันและกันอันหนึ่งที่ใกล้สะนั้นมีสกุณาทิชาชาติชื่อว่าการะเวกทุกทุกตัวต่างส่งเสียงอันไพเราะระ ง, งมไพรยอยู่ที่สองฝั่งสะมุจจรินป่านั้นเกลื่อนกลาดไปด้วยเนื้อสายและเนื้อฟานเป็นสถานที่เสพอาศัยของช้างพลายและช้างพัง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 จะได้เห็นอาสมนั้นพรรดาคําเหล่านั้นคําว่ามีขนปีกงามวิจิตรนีลกาได้แก่มีขนปีกลายวิจิตรสวยงามคําว่าทรงเสียงร้องไพราะไม่ขาดสายมันชุดสราสิตาได้แก่มีเสียงไพราะเป็นนิดคาว่ามีตางามประกอบด้วยหางตาขาว เสตักขิกูตาพัทธราขาความว่ามีในตางามประกอบด้วยหางตาขาวทั้งสองข้างคําว่ามีขนปีกขนหางงามวิจิตจิตระเปกนาได้แก่มีขนปีกอันวิจิตคําว่าไก่ฟ้ากุลีรกาได้แก่นกกดคําว่านกเป้าโกอดถาเป็นต้น เป็นเหล่าสกุลชาติคําว่าวารนาได้แก่นกหัดสดีลิงคําว่านกแขกเต้ากระทาพาท่านกำหนดเอานกแก้วใหญ่คําว่านกสาลิกาสุวโกกิลาได้แก่นกแก้วที่เที่ยวไปกับนกดูเว่าวและนกดูเว่าวทั้งหลายคําว่านกออกกุกกุสาได้แก่นกออกดํา คำว่ากุรุราได้แก่นกออกขาวคำว่าถังสาได้แก่ผงขาวคำว่านกช้อนหอยอาตาได้แก่นกที่มีปากมีสันฐานคล้ายทัพพีคำว่านกเข้าแมวปริวะเทนติกาได้แก่สกุลชาติชนิดหนึ่ง ข้อว่านกหัสดีลิงส่งเสียงร้องน่ารื่นรมใจวารณะพิรุธารัมมาได้แก่นกหัสดินร้องน่ายินดีข้อว่าต่างก็ส่งเสียงกูร้องหากันทั้งเช้าทั้งเย็นเป็นนิรันอุโพกาลุป ก, กูชิโนความว่าส่งเสียงร้องกึกก้องเป็นอันเดียวกันตลอดเชิงบรรพศ ทั้งเย็นทั้งเช้าข้อว่าเกลื่อนกลาดไปด้วยเนื้อสายและเนื้อฝานเอเนยาปัสตากินนังความว่าเกลื่อนไปด้วยเนื้อสายกวางและกวางดาวทั้งหลายข้อว่าคนผู้ไปไม่ถึงอาสมของพระเวสสันดร น, นั้นแล้วย่อมไม่มีตัทธะปัตโตนะวินทติความว่าแนพราม คนที่ไปถึงอาสมของพระเวสสันดรแล้วจะไม่ได้ความหิวหรือความกระหายน้ำดื่มหรือความไม่พอใจในอาสมนั้นเลยพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าชูชกผู้มีเผ่าพันธุ์พรมครั้นสดับถ้อยคำของอัจจุตฤรฤษีกระทาประทักษิณมีจิตชื่นชมโสมนัส อมลามุ่งหน้าไปยังสถานที่ประทับของพระเวสสันดรบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าที่ประทับของพระเวสสันดรเวสสันโรอหุอความว่าพระเวสสันดรมีอยู่ในที่ใดชูชกก็ไปสู่ที่นั้นมหาวนาวนาณาจบ